เดี๋ยวชวนคุยธรรมะกันวันนี้อาตมาพระๆวันเรื่องราวธรรมะที่ๆเลยเอ่อ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่ได้เป็นมีประโยชน์น้อยเป็นเรื่องที่ง่ายมีประโยชน์มากด้วยศีลเนี่ย ไม่ละศัพท์ไม่ได้เอาศัพท์ที่เจ้าของ จะเข้าใจว่าโอ้ฉันจะรักษาศีลนี้ต้องให้พระเราทําได้เนาะคือแค่เราตั้งใจ 7 วัน ฉันจะทําการที่ไม่รักทรัพย์เนี่ยอยู่เป็นปกติบางคนเนี่ยไม่ได้ทําด้วยเพราะว่าคือทําอย่างๆๆคุณได้ล่ะสิ่ง 5 ประการ ไพบเวน 5 ประการที่ 1 ประการแล้วนะโหอะไรบาปกรรมอย่างเช่นว่าการลักทรัพย์อย่างเป็น 1 ในคุณธรรมของพระโสดาบันที คือแค่เราตั้งใจไว้ในการที่จะทําเนี่ยยังเป็น อ่ะปลาอะไรที่จะพูดเล่นพูดตลกปกฮาแล้วกลายเป็นพูดไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าศีลคุณด่างละ น่ะคือเจตนาในการที่จะตั้งไว้อย่าง 5 อย่างเท่านั้นเองนะๆทําได้เห็นผลจริงผลที่ อย่างน้อยเราจะสบายใจถึงแม้เราจะทํางานไม่สําเร็จสมมุติคุณ นะผิดพลาดไปแล้วถามว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับอย่างน้อยเราเอ่อไม่มีความร้อนใจในข้อนี้ถ้ามันจะเกิดผลอะไรๆเอาไว้แต่อย่างน้อยเราไม่สร้างกรรมชั่วใหม่ ภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันๆอยู่เป็นประจำนั่นคือเราไม่ คนที่ไม่มีความทุกข์ไม่ถูกต้องประสาทที่แล้วเนี่ยเรา 2 ทาง 1 คุณจะ 1 หรือ 2 คุณจะแสวงหา 1 หรือ 2 ทาง น่าจะมี 1 หรือ 2 ทางเอามาบอกให้ได้เลยเอ่อภาษาอะไรต่างๆที่ไม่น่า แต่ถ้าเราสวนกระแสทวนกระแสนะพระฤาษีบอกว่า 5 โก 6 โอ้ยก็ทําเถอะ พูดถึงเรื่องธรรมมาธิปไตยอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อวานนะธรรมมาธิปไตยว่าเอาธรรมะเป็นหลักเกณฑ์เอาธรรมะเป็น โกงกันกองกันราชทูลกระแสเอ้าถ้าคุณบอกว่าโหยถ้าทําอย่างนี้นะมันก็อยู่ยากนะคุณๆก็ต้องเหลี่ยมอยู่งิ่งๆๆเงียบๆอย่าพูดมากนะแอบ ไม่สามารถพูดอะไรได้เค้ามีอำนาจนี่ในขณะแต่เนี่ยเราก็พยายามพยายามที่จะทำ นะทำผิดทำชั่วภรรยาคิดว่าตัวทําไมฉันจะต้องมาอดทนกับไอ้หมอนี่ฉันก็ทําความไม่ดีบ้างฉันก็โกงบ้าง ไม่ได้ยากเลยแค่เรื่องศีลเท่านั้นจะโกงก็ไม่โกงจะด่าก็ไม่ด่าจะโกหกเอาเลิกแล้วกันตรงนั้นน่ะวินาทีนั้นน่ะเกิดบุญๆในบางครั้งเนี่ยเวลากระแสมัน หนีในที่นี้คือหลีออกจากกลลวงต่าง วางกวางล่อเนื้อตัวเมียเอาไว้ตรงนี้ 11 12 สุนัขนะหมานะมันติด เอ่อข้าวนี่อดเป็นหลายๆสัปดาห์นะตามตัวเมียไปแล้วก็ห้ามก็ไม่ฟังผูกเชือกล่ามเอา คือพระเจ้าพูดถึงการลีกออกนะลีกออกจากกามนั่นเองลีกออกจากไอ้สิ่งที่มันจะๆเนี่ยเรา เช่นเดียวกันเราอย่าไปอยู่กับการที่จะจากข้าศึก นะเราค่อยๆฝึกทําไปทําไปทีละนิดทีละหน่อยตอน 5 นาทีเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงบ้าง 10 นาทีอาจจะน้อยไปเราได้